มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมุมมองข่าววันนี้พบกันทาง FM 8 9 5เมกะเฮิรตสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับการตื่นตัวเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เป็นกระแสของทั่วโลกที่ให้ความสนใจกันอย่างมากนะคะ วันนี้มีเรื่องราวจากประเทศญี่ปุ่นค่ะมาบอกเล่าให้ฟังกันในเรื่องของการตื่นตัวในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนื่องจากว่าญี่ปุ่นนี้นะคะมีการใช้ถุงพลาสติกในปริมาณที่ค่อนข้างมากเป็นอันดับสองรองก็เพียงแต่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นค่ะเมื่อญี่ปุ่นเริ่มขยับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะเขา จะทำอะไรกันบ้างนะคะวันนี้รายการมุมมองข่าวก็จะมานําเรียนเสดอให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะเบื้องต้นนะคะเขาก็จะเริ่มทําการเก็บค่าใช้ถุงพลาสติกในร้านค้าก่อนเนื่องจากว่าในปีหน้านี้ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกค่ะคุณผู้ฟังคะ ดังนั้นเขาจึงจะต้องจัดระบบระเบียบภายในประเทศให้ดีนะคะเพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาชมกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกกันค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นนายฮิโรชิเกะเซโกะได้บอกว่ารัฐบาลญี่ปุ่นกำลังที่จะวางแผนเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ถุงพลาสติกในประเทศให้เร็วที่สุดภายในวันที่1เมษายนของปีหน้า ทั้งนี้กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมก็จะไปร่วมมือกับกระทรวงสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานอื่นๆเพื่อที่จะกาหนดนโยบายนี้ให้ชัดเจนขึ้นอย่างเช่นเรื่องของถุงพลาสติกว่าแบบไหนที่จะต้องเก็บเงินเท่าไหร่ตามนโยบายอันนี้นะคะซึ่งเป้าหมายของการออกนโยบายนี้ก็เพื่อที่จะลดจานวนขยะพลาสติกในมหาสมุทรโลกซึ่ง ได้เป็นหัวข้อหลักในการประชุม G20 ที่เพิ่งจะเสร็จสิ้นลงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่กรุงโอซาก้าค่ะโดยนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะได้กล่าวว่าเขาอยากให้ญี่ปุ่นเป็นผู้นำของโลกในด้านการลดขยะพลาสติกที่ทิ้งลงในมหาสมุทรค่ะและแม้ว่าประเทศญี่ปุ่นจะไม่ใช่เป็นประเทศที่มีส่วนในการสร้างกองขยะพลาสติกในมหาสมุทรนะคะแต่ในแง่ของการใช้แพ็เกจจิ้ง พลาสติกนั้นญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการใช้พลาพสติกมาเป็นส่วนห่อนะคะส่วนห่อสินค้าต่างๆเนี่ยรองลงมาก็เพียงสหรัฐอเมริกาซึ่งสหรัฐอเมริกาก็ติดอันดับที่1เลยนะคะในเรื่องของการใช้พลาสติกเป็นตัวแพ็กเกจจิ้งอันดับที่2ก็คือญี่ปุ่นดังนั้นเมื่อเขาใช้เป็นอันดับที่สองใช่ไหมคะปริมาณการใช้งานถุงพลาสติกของเขาเนี่ยจึงค่อนข้างมากค่ะคุณผู้ฟังคะ ถ้าใช้งานต่อปีนะคะก็คิดเป็น 2% ของปริมาณพลาสติกทั้งหมดหรือเข้าวๆก็คือ 200,000 ตันทั้งนี้นะคะญี่ปุ่นคิดว่าการขึ้นราคาหรือว่าการคิดค่าถุงพลาสติกนี้นะคะก็จะช่วยให้ญี่ปุ่นเนี่ยลดขยะพลาสติกได้ไม่น้อยค่ะเพราะว่าบางครั้งนี่นะคะเวลาเราไปจับใจ่ายใช้สอยตามตลาดหรือว่าซูปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเราก็ ถือถุงผ้าหรือว่าตะกร้าผ้าไปจะดีกว่านะคะที่จะไปใช้ถุงพลาสติกของทางร้านเพราะว่าถ้าหากว่าเราใช้พลาสติกถุงพลาสติกของทางร้านนะคะเราก็จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งจะเป็นจนํานวนเท่าไหร่นั้นนะคะเขาก็จะคิดคํานวณ น, นะคะบอกเราอีกทีหนึ่ง และตอนนี้นี่นะคะผู้ค้าปลีกรายในญี่ปุ่นนะคะก็เริ่มใช้มาตรการเก็บค่าใช้ถุงพลาสติกกันบ้างแล้วค่ะและบางแห่งนะคะก็เปลี่ยนจากถุงพลาสติกมาเป็นถุงกระดาษนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตามซ u เปอร์มาร์เก็ตต่างๆที่เป็นแนวหน้าในการเปลี่ยนแปลงนะคะก็ยินดีที่จะทำตามแผนของรัฐบาลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งซ u เปอร์มาร์เก็ตสิบแห่งของเมืองใหญ่ในญี่ปุ่นนะคะก็เริ่มนโยบายเก็บค่าถุงพลาสติกกันแล้วค่ะซึ่งก็ได้ผลที่เป็นที่น่าพอใจนะคะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่นะคะ 70% ก็จะนำถุงมาเองซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะคะที่มีสัดส่วนน้อยกว่าเพียงแค่3 0เท่านั้นค่ะ โดยประธานของซูเปอร์มาร์เก็ตไลฟ์ของญี่ปุ่นนะคะนายอิวาสกิบอกว่าถ้าหากว่าทุกร้านใช้ค่าธรรมเนียมเหมือนกันก็จะทำให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะ น, นี่ก็เป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าถ้าหากว่าห้างนี้เก็บน้อยห้างนี้เก็บมากนะคะก็จะมีข้อเปรียบเทียบกันขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะเกิดการลนแรงที่ไม่สม่บเสมอขึ้นค่ะ สำหรับในส่วนของร้านสะดวกซื้ออย่างเซเว่ e อเวในญี่ปุ่นนะคะก็ได้เคยประกาศออกมาเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะบอกว่าจะเปลี่ยนจากถุงพลาสติกธรรมดามาเป็นถุงที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาตินะคะภายในปี2030 ส่วนลอสันนะคะซึ่งก็เป็นร้านสะดวกซื้อเช่นกันนะคะในญี่ปุ่นก็วางแผนที่จะลดการใช้ถุงพลาสติกให้ได้ครึ่งหนึ่งนะคะในปี2030เช่นกันแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นถุงที่ทาจากอ้อยในบางพื้นที่ค่ะและ Familymart นะคะซึ่งก็เป็นร้านสะดวกซื้อนะคะในญี่ปุ่นอีกเช่นกันนะคะก็ไม่น้อยหน้ากันเลยนะคะก็จะบอกว่าเขาจะลดการใช้พลาสติกนะคะ เมื่อเทียบกับปี 2,000 ันเนี่ยเขาลดการใช้ถุงพลาสติกไปแล้วนะคะ30ซนะคะแล้วก็จะใช้ถุงพลาสติกที่บางลงนอกจากการลดการใช้ถุงพลาสติกแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะในฐานะที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาโอลิมปิกและพารลาลิมปิกนะคะเขาก็เตรียมที่จะทําเหรียญรีไซเคิลนะคะซึ่งเป็นเหรียญรางวัลที่ผู้ชนะจะต้องได้รับรางวัลเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงใช่ไหมคะเหรียญเหล่านี้นะคะก็เปลี่ยนนะคะก็จะ ทำทำนะคะเป็นพลาสติกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพโพรเดียมนะคะพโพรเดียมในการขึ้นมารับเหรียญรางวัลที่1ที่2ที่3นีนะคะพโพรเดียมนี้นะคะ่ะก็จะทำจากพลาสติกดี c ไซเคิลนะคะทั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะสร้างความตระหนักรู้ปัญหาของพลาสติกในโลกปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้ น, นะคะ่ะ และนอกจากญี่ปุ่นนะคะมีแผนบังคับในการเรียกเก็บเงินเพิ่มสำหรับการใช้ถุงพลาสติกสำหรับร้านค้าต่างๆและซุปเปอร์มาร์เกต็ตเพื่อลดขยะทางทะเลและรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะ ในหลายๆประเทศในยุโรปแล้วก็ในเอเชียบางประเทศรวมถึงประเทศไทยเรานี้นะคะก็มีมาตรการในการงดการใช้ถุงพลาสติกกันบ้างแล้วนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามห้างสรสินค้าในไทยซึ่งก็เป็นผู้นำนะคะในเรื่องของการลดการใช้ถุงพลาสติกเนี่ยก็จะมีการยกเว้นบางวันนะคะที่จะไม่อาจจะไม่จ่ายถุงพลาสติกให้กับลูกค้าเลยค่ะ คุณผู้ฟังคะในส่วนของประเทศญี่ปุ่นนี้นะคะก็จะมีการเรียกเก็บนะคะถุงพลาสติกสําหรับผู้บริโภคนะคะแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ต่อไปนะคะสําหรับคนไทยเวลาไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นเนี่ยควรจะต้องโพถุงพลาสติกที่ใช้แล้วหรือว่าอาจจะเป็นถุงผ้าไปด้วยนะคะตามห้างค้าปลีกนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อนะคะรวมไปถึงร้านขายยาที่คนไทยนิยมไปจับจ่ายใช้สอยนะในเรื่องของเครื่องสำอางและก็สินค้าต่างๆ และห้างสรรพสินค้านะคะเนื่องจากว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมนะคะบอกว่ากระทรวงมีแผนที่จะร่างกฎหมายงดใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิง้งแต่ถ้าห้างค้าปลีกต้องการมีการคิดค่าใช้จ่ายผู้บริโภคก็จะต้องเป็นการคิดคำนวณดูว่าจะอยู่ที่ราคาต่อใบนะคะราคาเท่าไหร่นะคะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ความเหมาะสมนะคะและเมื่อห้างค้าปีกนะคะมีรายได้จากการเก็บค่าถุงพลาสติกนะคะเงินนี้นะคะก็ไม่ได้เอาเข้าห้างนะคะเขาก็จะเอาเงินนี้ไปใช้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกป่าปลูกต้นไม้หรือการเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางทะเลให้ได้มากที่สุดอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าแยกส่วนกัน ไปเลยนะคะไม่ใช่ว่าร้านค้านี้จะเก็บเงินเข้าเข้าร้านค้านะคะแต่ว่าจะต้องเอาไปไว้ในกองทุนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่ะและห้างค้าปลีกระดับใหญ่นะคะเมื่อดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางกระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นก็จะมุ่งไปที่ร้านค้าขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กอีกด้วยนะคะในเรื่องของการงดใช้ถุงพลาสติกนะคะ สำหรับการงดใช้ถุงพลาสติกนะคะก็เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างนะคะเป็นรูปธรรมกันมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนญี่ปุ่นดังที่รายการมุมมองข่าวได้นําเสนอคุณผู้ฟังมาเป็นระยะระยะตอนนี้นี่นะคะก็มีร้านอาหารรายใหญ่ของญี่ปุ่นนะคะก็เริ่มปรับการใช้หลอดดูดนะคะที่เป็นหลอดพลาสติกนะคะมาเป็นหลอดไม้ไผ่นะคะทดแทนการใช้หลอดพลาสติกกันบ้างแล้วนะคะและมาตรการนี้ก็เข้มข้นไม่แพ้กับมาตรการถุง พลาสติกเช่นกันนะคะก็คือเรื่องของหลอดดูดพลาสติกนะคะผู้ประกอบการหลายรายนะคะเริ่มให้ความสนใจกับแพ็เกจจิ้งและหลอดพลาสติกมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านอาหารนะคะที่จัดอยู่ประเภทร้านอิซาคาย่านะคะเช่นร้านกินดื่มในญี่ปุ่นนะคะก็จะมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยนะคะก็คือจะกําจัดหลอดพลาสติกที่อยู่ในคลังออกให้หมดแล้วก็นําเอาหลอดที่ทําจาก ไม้ไผ่มาใช้แทนค่ะหลอดไม้ไผ่นี้นะคะเรียกว่าเท x t สโตเป็นหลอดที่ทำจากวัสดุที่ทำจากเยื่อไม้ไผ่นะคะลักษณะจะบางมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็สามารถที่จะดูดนะคะน้ำได้นะคะแล้วก็ย่อยสลายตามธรรมชาติได้ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นและที่สำคัญคือปลอดภัยต่อร่างกายด้วยค่ะ การผลิตหลอดไม้ไผ่นอกจากจะช่วยลดขยะแล้วนะคะก็ยังช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมเนื่องจากว่าธรรมชาติของต้นไผ่ถ้าได้รับการดูแลอย่างดีก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าไผ่ต้นไผ่ที่ไม่ได้รับการดูแลเนี่ยก็จะเกิดเป็นโดงนะคะแล้วก็การเจริญเติบโตเนี่ยก็จะค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็จะไปทำลายพืชชนิดอื่นนะะดังนั้น รากของต้นไผ่นี่นะคะถ้าหากว่าเขาแบบไม่ไม่ลึกมากนะคะก็จะทำให้ดินถล่มอยู่บ่อยครั้งนะคะก็จะทำให้เกิดปัญหามากๆในประเทศญี่ปุ่นอย่างเช่นกรณีแผ่นดินไหวหรือว่าฝนตกหนักๆแต่ว่านะคะเรื่องของไผ่นี้นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีร้านค้านะคะที่ทดลองนะคะนำมาให้ กับลูกค้าหากว่าเมื่อลูกค้าลองขอนะคะก็จะได้แก่ร้านวัตตมิและร้านสวัตตมินะคะซึ่งเห็นชื่อแค่สองร้านนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าเขามีสาขาทั่วประเทศญี่ปุ่นเกือบ68ร้านเลยค่ะนะคะเป็นร้านกินดื่มนะคะหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะอยากจะลองไปอาจใช้หลอดไม้ไผ่ดูนะคะหลอดหลอดเยื่อไผ่นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปใช้อ่า บริการกันได้นะคะก็คือร้านวัตตมิและร้านสวัตตมิซึ่งเป็นร้านกินดื่มค่ะ นอกจากนี้นะคะเซเว่นอเวญี่ปุ่นก็ไม่ได้น้อยหน้าเลยนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เขาจะเริ่มจําหน่ายข้าวปั้นที่ปกติแล้วเนี่ยจะห่อด้วยพลาสติกชีวภาพใช่ไหมคะเวลาถ้าหากว่าคุณผู้ฟังนึกถึงแบบข้าวห่อสาล่ายอย่างนี้นะคะหรือว่าข้าวปั้นต่างๆก็จะใช้พลาสติกมาหุ้มห่อนะคะเพื่อให้ข้าวเนี่ยไม่ไม่แข็งนะคะคงรูปและสามารถรับประทานได้ทันทีเนี่ยเดิมทีเนี่ยเขาใช้พลาสติกใช่ไหมคะในการห่อหุ้มแต่ตอนนี้เนี่ยเขากําลังเปลี่ยนมาใช้พลาสติกชีวภาพทั้ง หมดเลยค่ะเพราะว่าญี่ปุ่นนี้นะคะก็นิยมทานข้าวปั้นนะคะหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าโอนิกิริซึ่งในแต่ละปีนี้นะคะก็จะมีการจำหน่ายถึง 2.2 พันล้านลูกนะคะเรียกได้ว่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะและดิฉันเชื่อว่านักท่องเที่ยว อร่ยอรยๆด้วยกันนะคะเวลาไปญี่ปุ่นนะก็มักจะซื้อโอนิกิริมากินเนื่องจากว่าสะดวกแล้วก็อร่อยนะคะแต่ถ้าคุณทุกฟั่งสังเกตนะคะว่าข้าวห่อสาหร่ายหรือว่าข้าวปั้นหรือว่าโอนิกิรินี่นะคะส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นพลาสติกแทบทั้งสิ้นและเมื่อประเทศญี่ปุ่นได้รณรงค์เรื่องขยะพลาสติกใช่ไหมคะแล้วก็ได้รณรงค์ในเรื่องของถุงพลาสติกนะคะที่จะเริ่มเก็บค่าถุงพลาสติกในราวๆปีหน้าในเดือนเมษายนนะคะดังนั้น เรื่องของข้าวปั้นนะคะก็จะต้องมีการเปลี่ยนแพ็เกจจิ้งเช่นกันนะคะคือจากพลาสติกธรรมดามาเป็นพลาสติกชีวภาพหรือไบโอพลาสติกที่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้น ะ, ะก็เป็นหนึ่งในมาตรการลดขยะพลาสติกและป้องกันขยะลงสู่ทะเลมากขึ้นด้วยค่ะ พลาสติกชีวภาพนี้นะคะคุณผู้ฟังลหลายๆท่านก็จะงงว่าเอ๊ะ้าทำมาจากอะไรล่ะก็ทำมาจากอ้อยนั่นเองนะคะมีการประมาณกันว่าจะมีการลดการใช้พลาสติกในเรื่องของอการหุ้มห่อพลาสติกชีวภาพนี้ถึง260ตันต่อปีแล้วลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง403ตันต่อปีเลยทีเดียวค่ะ นอกจากเซเวี่ที่จ ะ, ะเริ่มจำหน่ายเข้าปั้นที่ห่อด้วยพลาสติกชีวภาพทั้งหมดแล้วนะคะในเรื่องของ Family Mart ก็ไม่น้อยหน้ากันนะคะก็จะเปลี่ยนแพคเกจจิ้งนะคะสำหรับมามีเย็นนะคะมาเป็นพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้เช่นกันค่ะ และในเชนร้านอาหารญี่ปุ่นเคือของโอโช่ฟู้ดเซอร์วิสนะคะก็จะเปลี่ยนจากหลอดพลาสติกนะคะมาเป็นหลอดที่ใช้วัสดุย่อยสลายได้และใช้ชอนที่ทำจากพลาสติกชีวภาพนะคะก็จะใช้กับร้านอาหารทั้งหมดของเขาซึ่งมีสาขาทั่วประเทศ729สาขาแล้วก็จะเริ่มเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งคุณผู้ฟังคะประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นประเทศที่ผลิตขยะพลาสติกมากที่สุดนะคะ หลังจากที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีมาตรการในการควบคุมการใช้พลาสติกอย่างจริงจังนะคะญี่ปุ่นก็เลยต้องมากับมาทบทวนปัญหานี้อย่างจริงจังเช่นกันนะคะแล้วก็เมื่อสอสามวันที่ผ่านมานะคะญี่ปุ่นก็ได้เป็นเจ้าภาพในการประชุม G20 ด้วยก็ได้เอาเรื่องนี้เข้าสู่วร า, าระการประชุมด้วยดังนั้นเมื่อเป็นเจ้าภาพนะคะก็จะนิ่งนอนใจไม่ได้ดังนั้นก็จึงออกมาตรการต่างๆนะคะเพื่อช่วยลดปัญหาพลาสติกรวมไปถึงปัญหาขยะทางทะเลค่ะถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้นะคะถุงพลา สิ่งอาจจะไม่ใช่สัดส่วนที่มากเมื่อเทียบกับขยะพลาสติกทั้งหมดนะคะแต่ในเชิงสัญลักษณ์นะคะก็จะถือว่าเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่มากค่ะที่ทั่วโลกในจำเป็นที่จะต้องตื่นตัวและให้ความสนใจนะคะและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2020ญี่ปุ่นก็จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกด้วยดังนั้นเขาจึง จำเป็นที่จะต้องออกนโยบายสร้างชื่อเสียงให้ประเทศแล้วก็สร้างความตระหนักรู้ทําให้ประเทศเอื่นๆทั่วโลกหันมาสนใจปัญหานี้อย่างจริงจังและเพิ่มขึ้นด้วยค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งไม่ใช่ประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วนะคะเป็นปัญหาของทั้งโลกเลยค่ะช่วงนี้ฟังเพลงจากรายการกันก่อนนะคะเดี๋ยวมาพบกันในช่วงที่2ค่ะ ฉัคกย e my. คุณผู้ฟังคะในช่วงที่สองก็จะเป็นเรื่องน่ารักน่ารักนะคะของสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสุนัขและก็แมวนะคะซึ่งก็เป็นสัตว์ที่อยู่ใกล้ชิดคนมากที่สุดค่ะ มีงานวิจัยจากประเทศอังกฤษนะคะได้พบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าสุนัขเนี่ยมักจะชอบแสดงสีหน้าและดวงตาที่ใส่ซื่อไร้เดียงสานะคะเพื่อดึงดูดให้มนุษย์เนี่ยเกิดความรู้สึกรักแล้วก็สงสารนะคะพามันไปเลี้ยงดูหรือว่าให้อาหารซึ่งพฤติกรรมอันนี้นะคะคุณผู้ฟังเป็นพฤติกรรมที่มีวิวัฒนาการนะคะมาจากการที่สุนัขปรับตัวในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับมนุษย์ค่ะ เรียกได้ว่ารู้จักการปรับตัวเป็นอย่างดีเลยนะคะเป็นผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยพอร์สมัทในอังกฤษนะคะที่ศึกษาเรื่องของสุนัขตามสถานสง้์สัตว์หลายๆแห่งแล้วก็ได้ตีพิมพ์ผลการศึกษาไว้ในวรารสาร Scientific Report ที่พบว่าสุนัขเนี่ยจะทำสีหน้าต่างๆเช่นเลิกคิว้วเพื่อให้ดวงตาดูบ้องแบวกกมโตเหมือนเป็นเด็กทารกเวลาที่มนุษ จ้องมองพวกมันอยู่ก็ทําหน้าตาให้หน้าสงสารนะคะหากว่ามนุษย์ไม่สนใจนะคะหรือว่าหรือว่ า, อ, าอยากจะทานอาหารอะไรนะคะสุนัข ก, ก็จะทําสีหน้าเช่นนี้นะคะให้กับมนุษย์ค่ะแต่ว่ามันจะไม่ทําสีหน้าแบบนี้ให้กับสุนัข ด้วยกันเองนะคะคุณผู้ฟังนี่คือผลวิจัยที่หักล้างความเชื่อที่มีมานานว่าสุนัขจะแสดงสีหน้าต่างๆไปตามอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าจะเป็นพฤติกรรมเพื่อการสื่อสารค่ะบร i จิต t ์วอลเลอร์ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาเชิงวิวัฒนาการจากมหาวิทยาลัยพอร์ตสมัทได้กล่าวว่าผลการศึกษานี้บ่งชี้ว่าการที่สุนัขแสดงสีหน้าตอบสนองความสนใจของมนุษย์ มีความสัมพันธ์กับการที่พวกมันถูกรับไปเลี้ยงภายในเวลาที่รวดเร็วเพราะการที่สุนัขทำตาโตดูวาววน้าสงสารนั้นก็จะช่วยกระตุ้นให้มนุษย์มีความรู้สึกรักและรับพวกมันไปเลี้ยงค่ะแม้ว่าจริงๆแล้วสุนัขจะไม่รู้สึกว่าเศร้าก็ตามนะคะ ก่อนหน้านี้มีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยอาซาบุในญี่ปุ่นบอกว่าเวลาที่เจ้าของจ้องมองไปที่ดวงตาสุนัรของตัวเองจะทำให้ระดับฮอร์โมนออกซิโตซินเพิ่มสูงขึ้นซึ่งก็จะกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกรักและผูกพันกัน เพราะว่าฮอร์โมนออกซิโตซินนี้เป็นฮอร์โมนที่สร้างความรู้สึกผูกพันเช่นระหว่างแม่กับลูกร่างกายของคนเราก็สามารถที่ผลิตฮอร์โมนนี้ได้เช่นกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่แม่ให้นมหรือว่าจ้องมองลูกน้อยๆของตัวเองเป็นฮอร์โมนที่สร้างความผูกพันและผู้เชี่ยวชาญก็เชื่อค่ะว่า สายสัมพันธ์ระหว่างสุนัข ก, กับเจ้าของอาจมีวิวัฒนาการหลังจากที่มนุษย์เริ่มนำสุนัขซึ่งเป็นสัตว์ป่ามาเลี้ยงเป็นสุนัขบ้านค่ะการคันเลือกพันธุ ก, กรรมของสุนัขโดยมนุษย์เป็นเวลาหลายชั่วรุ่นทำให้สุนัขบ้าน มีวิวัฒนาการไปในทางที่สอดคล้องกับอุปนิสัยของคนเราค่ะเช่นการมีกล้ามเนื้อพิเศษรอบดวงตาทำให้สุนะัขสามารถแสดงความรู้สึกบนใบหน้าได้ชัดเจนลึกซึ้งมากขึ้นสามารถสื่อสารและทำตาวาววอนอ่อนออนเพื่อให้มนุษย์หลงรักได้ค่ะ ดรจูเรียนคามินสกีผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเชิงพฤติกรรมจากมหาวิทยาลัยพอต์สมาทจากสาหราฐชาลาจากักรอีกท่านหนึ่งนะคะก็ได้ระบรุในรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร PNAS บอกว่าสุนัขบ้านได้พัฒนากล้ามเนื้อพิเศษขึ้นมาชุดหนึ่งที่บริเวณส่วนบนของดวงตาใกล้กับสันจมูกโดยไม่พบกล้ามเนื้อดังกล่าวในสุนัขป่าที่เป็นบนรรพบุรุษของมันค่ะจึงทําให้นะคะมันสามารถที่จะส่งสายตา วาววอนนะคะหรือว่าการเคลื่อนไหวหนกคิ้วนะคะให้กับมนุษย์ได้นะคะซึ่งถ้ามันขยับหนกคิ้วมากขึ้นเท่าไหร่นะคะโอกาสที่จะถูกรับไปเลี้ยงดูก็จะมีมากขึ้นค่ะการที่สุนัขสามารถที่จะขยับหนกคิ้วขึ้นนี่นะคะก็จะทำให้ดวงตาของสุนัขเนี่ยดูโตขึ้นคล้ายกับเด็กทารกนะคะแล้วนอกจากนี้มันยังทำ มันยังสามารถที่จะทำสายตาที่ดูววอนเศาๆน่าสงสารอีกด้วยนะคะและสุนากะจะขยับโหนกคิ้วเช่นนี้บ่อยครั้งขึ้นถ้าหากมันรู้นะคะว่ามีคนกำลังจ้องมองมันอยู่ค่ะ คุณผู้ฟังคะสุนัขมีกล้ามเนื้อพิเศษนี้นะคะจึงทำให้มันสามารถส่งสายตาบ้องแบววน่ารักน่าเอ็นดูและมนุษย์ก็จะถูกกระตุ้นให้รู้สึกว่าเออมีความรู้สึกอยากจะดูแลปกป้องพวกมันคะ่ะซึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่ทำให้สุนักมีกล้ามเนื้อพิเศษเหมือนดวงตาแล้วก็จะถูกเลือกไปเลี้ยงดูและพอพัน ต่างๆนะคะคือเรียกได้ว่าเอาไปอยู่ที่บ้านนั่นเองนะคะที่ที่ต่างประเทศนี่ไม่เหมือนบ้านเรานะคุณผู้ฟังเวลาที่เราจะเลือกสัตว์เป็นเลี้ยงนี่นะคะเราก็จะต้องไปซื้อตามร้านค้าหรือว่าสถานที่สถานที่จำหน่ายหรือว่าสถานสงเคราะห์สัตว์นะคะถึงจะสามารถนําสัตว์ไปเลี้ยงดูได้นะคะมันก็ถ้าหากว่าใครสามารถส่งสายตาแวาวอนออดออดหรื อ, อจ้องเข้าไปในดวงตา ม, มนุษย์มากเท่าไหร่นะคะโอกาสที่มันจะขยับ พาณะนะคะไปเป็นสุนัขบ้านก็มีมากเท่านั้นค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของสุนัขนะคะทีนี้เป็นเรื่องแมวกันบ้างนะคะแมวก็เป็นสัตว์อีกประเภทหนึ่งนะคะที่เคยเป็นสัตว์ป่าแล้วก็มาอยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์นะคะจนกลายเป็นสัตว์บ้าน มีหักฐานยืนยันค่ะว่าแมวบ้านเนี่ยอาจเข้าใจภา ษ, ษามนุษย์มากกว่าที่เราคิดบางครั้งเนี่ยเราเรียกแมวมันก็ไม่สนใจใช่ไหมคะมันอาจจะเดินไปทำทำหูทวนลมไม่สนใจเราแต่จริงๆแล้วนี่มันรู้จักชื่อตัวมันนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยชอบที่จะทําเฉยเมยเวลาที่ถูกมนุษย์เตี้ยค่ะนี่เป็นเรื่องปกติเนื่องจากว่าในงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารเนเจอร ศึกษาเรื่องของการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับแมวบ้านและต้องการทราบว่าแมวสามารถเข้าใจถ้อยคำต่างๆในภาษามนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อเรียกของพวกมันหรือไม่งานวิจัยชิ้นนี้ได้สังเกตพฤติกรรมแมว78ตัวค่ะทั้งที่เป็นแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงตามบ้านและคาเฟ่แมวในญี่ปุ่น โดยทดลองเปิดเสียงคำพูดของมนุษย์สี่คำแล้วตามด้วยเสียงเรียกชื่อของมันทั้งที่เป็นเสียงจากเจ้าของและเสียงเรียกของคนแปลกหน้าเพื่อดูว่าแมวจะมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างไรปรากฏว่ากว่าครึ่งหนึ่งของแมว78ตัวนี้นะคะที่เข้าร่วมการทดสอบก็จะสามารถแยกแยะชื่อของตัวมันเองออกจากคำนามทั่วๆไปได้ค่ะ โดยแมวแสดงท่าทางว่ามันรู้จักชื่อของตัวเองเช่นมันก็จะแสดงปฏิกิริยาโดยการขยับหัวกระดิกหางหรือแม้แต่กระดิ่หูนะคะแม้ว่าจะเป็นเสียงเรียกของเจ้าของหรือไม่ใช่เจ้าของก็ตามนะคะมันก็จะแสดงปฏิกิริยานี้ออกมา ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าเป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่จะเชื่อว่าแมวมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อชื่อของตัวเองเพราะชื่อมีความสัมพันธ์กับการที่มนุษย์ให้รางวัลต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารและการเล่นด้วยหรือแม้แต่การลงโทษโดยการอาบน้ำหรือพาไปพบสัตวแพทย์ค่ะด็อกเตอร์อสุโกชัยโตซึ่งเป็ น, น ชีววิทยาที่ศึกษาด้านการรู้คิดจากมหาวิทยาลัยโซเฟียในกรุงโตเกียวบอกว่างานวิจัยชิ้นนี้ช่วยให้เราได้เข้าใจความสามารถของแมวในการสื่อสารกับมนุษย์และเราสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งของแมวและมนุษย์ในอนาคตค่ะ ยกคุณภาพชีวิตอย่างไรนะคะคุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะสงสัยนะคะก็อย่างเช่นเวลาเราสอนให้แมวเรียนรู้ว่าวัตถุนี้เป็นอะไรหรือว่าสถานีอันตรายนะเราก็อาจจะใช้คำพูดที่ค่อนข้างจะดุนิดนึงนะคะหรืออาจจะทำเสียงเข้มๆ เ, เปล่งเสียงออกมาให้มันได้ทราบนะคะ ในกรณีนี้นะคะก็ยังพบว่าแมวที่อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะหรือทีอ่เรารู้จักกันดีก็คือคาเฟ่แมวนะคะพวกมันก็จะมีปฏิกิริยาตอบสนองได้เช่นกันนะคะเมื่อได้ยินเสียงเรียกชื่อแมวตัวอื่นด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะนักวิจัยชี้ว่าแมวจะรู้จักชื่อของตัวเอง หรือไม่พวกมันก็จะแสดงท่าทีที่เฉยเฉยเมยเมยไม่สนใจเดินหนีนะคะแล้วก็ไม่ยอมไปหาเจ้าของเวลาที่ถูกเรียกชื่อนะคะซึ่งก็ไม่เหมือนสุนัขนะคะที่มันจะวิ่งมาหาเราทันทีเราถึงเรียกกันว่าเราเป็นทาสแมวไงคะเพราะว่าความที่มันเฉยเฉของเขาเนี่ยนะคะจึงทําให้เราก็จะต้องตามไปดูเขาเป็นอย่างไรใช่ไหมคะนั่นก็คือการาเรี้ยงสัตว์แต่ละประเภทก็ไม่เหมือนกันและสัตว์แต่ละประเภทก็ไม่เหมือนกันน ะ, ะสัตว์ โดเฉพาะสุนัขนะคะเขาก็จะมีปฏิกิริยานะในการเข้าหาคนนะซึ่งต่างจากแมวนะคะแล้วคนก็มีการเรียนรู้ว่าเราควรจะต้องเข้าหาสาัตว์ประเภทสุนัขแล้วก็แมวอย่างไรด้วยเช่นกันค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนจากกันนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะรายการมุมมองข่าวก็ได้พูดถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาค่อนข้างมากเลยนะคะแล้วก็ได้ชื่นชมนะคะกับ ห้างสรรพสินค้าต่างๆในประเทศไทยนะคะคงกันหลวงนะคะที่หรือว่าธุรกิจค้าปีกต่างๆนะคะที่ได้ออกมาประกาศลดการใช้ถุงพลาสติกและบางแห่งก็มีแผนในการเลิกใช้ถุงพลาสติกแล้วก็เปลี่ยนไปใช้ถุงกระดาษหรือว่ารีไซเคิลหรือว่าวัสดุรีไซเคิลอื่นๆแทนนะคะถึงแม้ว่าบางคลังนี่อาจจะไม่ได้เอ่ยนามห้างสรรพสินค้าทั้งหมดนะคะ แต่ถ้าหากว่านะคะเราไปดูที่ประเทศอื่นๆนะคะก็จะพบว่ามีการคิดค่าถุงพลาสติกและบางประเทศก็จะมีกฎหมายห้ามการใช้ถุงพลาสติกไปเลยนะคะแต่ประเทศไทยนี่นะคะก็จะเริ่มการดณรง์โดยภาคเอกชนนะคะเป็นหลัก ะะถึงเวลาแล้วค่ะที่ภาคราัฐแล้วก็ประชาชนชาวไทยทุกคนนะคะควรจะต้องเข้ามามีบทบาทนะคะในเรื่องของการลดล้านเลิกการใช้ถุงพลาสติกลงนะคะแล้วก็นะคะถุงผ้านะคะถุงกระดาษหรือว่าตะกร้านะคะซึ่งก็เป็นวิถีชีวิตไทยๆนะคะเวลามีงานโอทอบนะคะงานเกี่ยวกับ การแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างี้นะคะก็จะนำมาขายในราคาที่ไม่แพงและสามารถใช้ซ้ำได้บ่อยๆนะคะก็ดีกว่าถุงพลาสติกรีซ้ำก็มาข อ, อเรียนเชิญนะคะช่วยกันนะคะรณรง์ใช้ถุงผ้าตะ ก, ก้าผ้านะคะหรือว่าจะเป็นตะ ก, ก้าอ่ สารด้วยเครื่องจักรสารต่างๆที่มีอยู่เยอะแยะมากมายในบ้านเราแล้วก็เดี๋ยวนี้นะคะก็ได้จัดทำในรูปทรงเนี่ยที่ค่อนข้างสวยงามนะคะซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะว่างานโอทอบนะคะ ในส่วนกลางปีก็ได้หมดไปนะคะก็คงจะต้องรอติดตาม่าเที่ยวชมงานโอท็อปในปลายปีนะคะเผื่อว่าจะได้ตะกร้าผ้าสวยๆหรือว่าถุงตะกร้าไม่จําเป็นต้องเป็นตะกร้าผ้าะคะ่ะจะเป็นตะกร้ า, าเครื่องจักสารอย่างอื่นนะคะแล้วก็ถุงผ้านะคะที่สวยๆมาใช้แทนถุงพลาสติกกันนะคะ ก็ข อ, อเรียนเชิญนะช่วยกันนะคะลดการใช้ถุงพลาสติกสําหรับวันนี้รายการมุมมองข่าวรายการที่จะเพิ่มมุมมองให้คุณฟังหมดลงแล้วค่ะคงต้องขอลาคุณ้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะรายการมุมมองข่าวสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม